อีกปัญหาหนึ่งวันณพันณะปัญหาพระเจ้ามิลินกราบเรียนถามพระนาคเษนว่าพระกุณเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธความข้อนี้ไว้ว่ามะมังวาภิกเวเะเรวันนางพาสายุงธรมมสวาสังคสวาวันนางภาสายุงตัตระตมเฮ ห, หินะอานันโทนะโสมนัสสังนะเจตโสนะ ปลาวิตัตังกรณียันตินะอันนี้อยู่ในพรมชาลสูตรที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวสรรเสริญเราพึงกล่าวสรรเสริญพระธรรมหรือพึงกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์เธอทั้งหลายไม่ควรทําความเพลิดเพลินไม่ควรทําความดีใจไม่ควรทําความปรับปลื้มใจในคําที่เขาเหล่านั้นสรรเสริญอันนี้มีอยู่นะในสมัยหนึ่งพระมุขมีพระภาคเจ้าเสด็จ เดินทางไกลอันตราจราชกระหังอันตราจนาลันทงนังเนี่ยนะก็คือระหว่างกรงราชครือ ก, กับเมืองนารันทาก็ไปถึงสวนสวนแห่งหนึ่งทีนี้ระหว่างการเดินทางของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็มีปริภาชกหมู่ใหญ่ติดตามไปข้างหลังหัวหน้าปริภาชคชื่อว่าสุปิยะปริภาชกกับพรหมทัตปริภาชกเนี่ยนะที่เป็นอันเทวาสิกแล้วก็บริวานอย่างอื่นอีก ติดตามพระพุทธเจ้าโดยเสด็จไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหตุผลหลายอย่างเหตุผลอันหนึ่งก็คืออาหารหาง่ายถ้าตามพระพุทธเจ้าแล้วอาหารไม่ยากนะแล้วก็พวกเทวดาอมนุษย์ช่วยรักษาด้วยวก็ตามพระพุทธเจ้าไปดีแต่ว่าอาจารย์คืออะไรนะี่สุภิยะปริภาชคเนี่ยนี สุภยปริพาชกเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าปรบริบูรณ์ไปด้วยพระพุทธลักษณะพระพุทธสรีระพระพุทธคุณกิริยาอาการต่างๆเห็นพุทธสาวกทั้งหลายผ้าหัน์ทั้งหลายเนี่ยประมาณห้าร้อรูปเนี่ยน่าเลื่อมใสพระเรียเจ้าทั้งหลายหน่าเลื่อมใสเหลือเกินทีนี้เหลียวกลับมาดูบริวารของตัวมาดูตัวแล้วก็ดูบริวารของตัวนเนี่ยนะริษยามันก็เกิดขึ้นทีนี้ถ้าริษยาพระพุทธเจ้าจะชมพระพุทธเจ้าไหมก็เลยตําหนิพระพุทธเจ้าโดยประการต่างๆ มาด่าโดยประการต่างๆก็ด่าไปด้วยทีนี้พระมทัทมานบลูกศิษย์ของสุภิยะปริพาชกเนี่ยก็ไม่อาจารย์ด่าอะไรบอกว่าลูกศิษย์ก็ถือว่ากรรมของอาจารย์ก็ของอาจารย์กรรมของตัวก็ของตัวพระพุทธเจ้างามขนาดนี้พระสงฆ์ดีอย่างนี้ก็ยังกล่าวตำหนียเอกแล้วก็เลยลูกศิษย์ก็เลยชมอาจารย์ก็ด่าลูกศิษย์ก็ชมแล้วก็ชมว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนี้พระธรรมดีอย่างนี้พระสงฆ์ดีอย่างนี้ก็ชมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไป อาจารย์ก็ด่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปลูกศิษย์ก็ชมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปทีนี้พระพิสุก็บอกโอ้น้าอัศจรรย์นับุโสทั้งหลายดูสิเนี่ยอาจารย์ก็ด่าลูกศิษย์ก็ชมเนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จมาผมก็เล่าว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายชนพวกอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์เธอทั้งหลายไม่ควรโทมนัสอาฆาตแค้นใจในคนเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่า ชนถ้าเธอโกรธเนี่ยเธอจะฟังรู้เรื่องไ่าเขาด่าว่าอะไรบ้างพอมโวแต่โกรธเนี่ยจะจับเนื้อหาจับใจความได้ไหมไม่ได้จะรู้อัถฐแห่งภาสิทธเป็นต้นไหมขณะที่โกรธขึ้นไม่ได้จับอะไรไม่ได้เลยทีนี้เพราะอะไรเพราะคนโกรธเนี่ยยังจิตให้กำเริบ น, นะขณะที่โกรธขึ้นเนี่ยนะภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยคนโกรธย่อมไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อดัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไรที่ความโกรธครอบงนันมันมึดอย่างเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเธอโกรธที่เขาด่าพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เธอจะรู้เนื้อความแห่งภาสิทธและทุบภาสิทธไหมเพราะฉะนั้นถ้าเธอโกรธนี่อันตรายทั้งหลายก็จะมีแก่เธอเพราะฉะนั้นเธอไม่ควรโกรธเมื่อเขาด่าพระพุทธเจ้าด่าพระธรรมและด่าพระสงฆ์ทีนี้ถ้าชนเหล่าเอิญจะกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าวันนางภาสยุงเลยนะถ้าคนเราเอิญจะกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์เธอทั้งหลาย ไม่ควรทําความเพลิดเพลินด้วยอำนาจโลภะความเพลิดเพลินตัวนั้นเป็นชื่อของราคะความดีใจตัวนั้นก็ไม่ควรดีใจด้วยราคะไม่ควรทําความปราบปลื้มใจด้วยอำนาจราคะในชนเหล่านั้นถ้าเพราะอะไรเพราะถ้าเธอได้ยินคําชมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าเกิดความโลภเกิดขึ้นมาขึ้นขณะนั้นเกิดความชอบใจเกิดความกําหนับในเสียงชมเหล่านั้นเนี่ยนะ เธอจะรู้อัฏฐะแห่งภาสิทธและทุภาสิทธเป็นต้นไหมก็ไม่อัตตกถาก็เลยบอกว่าอธิบายว่าคนโลภเนี่ยนะความโลภเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโลภย่อมไม่รู้สึกคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภครอบงาํามีแต่ความมืดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่รู้ดีรู้ชั่วเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายไม่ควรทําความเพลิดเพลินในถ้อยคําเหล่านั้นด้วยอํานาจ ฉันทราคะเนี่ยนะด้วยอํานาจโลภะเป็นต้นอย่าไปทําแบบนั้นแล้วก็ถ้าไม่มีโลภะเธอทั้งหลายจะรู้อัตถะแห่งภาสิทธิ์เป็นต้นเหล่านั้นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าเธอฟังเข้าใจแล้วก็บอกว่าควรชี้แจงว่าใช่พระพุทธเจ้าดีอย่างนี้จริงพระธรรมดีอย่างนี้จริงพระสงฆ์ดีอย่างนี้จริงแต่ไม่ใช่ให้ให้โลภให้เพลิดเพลิน ด, ด้วยอํานาจฉันทราคะเนี่ยนะอันนี้คือประเด็นตันหาข้อที่หนึ่งว่า พระพุทธเจ้าตรัสห้ามพระพิสุท์ทั้งหลายว่าชนเราอื่นกล่าวสรรเสริญเราสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์เธอไม่ควรทําความเพลิดเพลินนะแต่นี่หมายถึงงงเล็บว่าเพลิดเพลินด้วยอํานาจโลภะไม่ควรทําความดีใจด้วยอํานาจโลภะไม่ควรทําความปราบเลื่มใจด้วยอํานาจโลภะในคําที่เขาสรรเสริญ น, นั้นนะนี่คืออัตตะที่อยู่ในพรมชาลสูตรโดยย่อสูตรที่หนึ่งของทีคณิ า, าย ที่นี้ในมัชชิมนิกายในเสรสูตรเสรสูตรว่าเมื่อเสรพราหม์กล่าวสรรเสริญตามความเป็นจริงอยู่แต่ถาคตก็เป็นผู้เพลิดเพลิน ด, ดีพระไทยปราบปลื้มพระไทยประกาศคุณของพระองค์เองให้ยิ่งขึ้นไปอีกแหมพระ พ, พอเสรพราห ม, ม์ชมพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระองค์เป็นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระธรรมราชาเป็นต้นนะพระพุทธเจ้าก็เลยแม้สางาพาเผยยิ้มแป้นรับเลยว่า ราชาหมามัสมิเสลาติธรรมราชาอนุตโรธรรมเมนะจักกังวัตเตติจักกังอปปติวัตติยังดูกเรเซล่าเนี่ยนะเราเป็นพระราชาถูกต้องนะที่บอกว่าเออควรเป็นพระราชาใช่บัดนี้เราก็เป็นพระราชาคือเราเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักให้หมุนไปซึ่งเป็นธรรมจักรที่ใครใคไม่อาจปฏิวัติเปลี่ยนแ ป, ปลงหรือหมุนให้กลับที่กลับมาได้ พงก็ยอมรับเออใช่ที่ท่านพูดนะมันถูกต้องแล้วนี่มัฟังดูมันขัดกันไหมสูตรก่อนบอกว่าถ้าใครชมพระพุทธเจ้าอย่าดีใจพอเนี่ยเสรรพรามาชมพระพุทธเจ้าพระองค์ยิ้มสงางาพาเผยบอกใช่ถูกต้องนี่นเกิดอะไรขึ้นอย่างั้นพระคุณเจ้าถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าที่สูตทั้งหลายคนอื่นพึงกล่าวสรรเสริญเราสรรเสริญพระธรรมหรือสรรเสริญพระสงฆ์ พวกเธอไม่ควรทำความเพลิดเพลินไม่ควรทำความดีใจไม่ควรทำความปราบปลื้มใจในคำที่เขาสรรเสริญ น, นั้นดังนี้ถ้าคำพูดที่พูดเนี่ยจริงใจถ้าอย่างนั้นนะคำที่ว่าเมื่อเสลพรามกล่าวสรรเสริญตามความเป็นจริงอยู่พระตถาคตก็ทรงเป็นผู้เพลิดเพลินดีพระไทยปราบปลื้มพระไทยประกาศคุณของพระองค์เองให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้ก็ไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่าเมื่อเสรละพราหมณ์กล่าวสรรเสริญตามความเป็นจริงอยู่พระตถาคตก็ทรงเป็นผู้เพลิดเพลิน ด, ดีพระไทยปราบเพิ่มพระไทยประกาศคุณของพระองค์เองให้ยิ่งขึ้นไปจริงใสถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคนอื่นๆจะพึงกล่าวสรรเสริญเราสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์เธอไม่ควรทําความเพลิดเพลินไม่ควรทําความดีใจไม่ควรทำความปราบเพิ่มใจในคําที่เขาสรรเสริญ น, นั้นถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง ปัญหาเม้ข้อนี้สองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดนะในสรุปว่าในพรหมชาลสูตรพระ อ, องค์บอกว่าถ้าใครชมพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์อย่าเพลิดเพลินพอเสร็จลสูตรมัชิมนิกายบอกว่าเขาเสร็จลพรามชมพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็ยิ้มแป้รับแล้วก็กล่าวเลยนะเอ๊มขัดกันมั้งพนาเกษตก็ชี้แจงว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายชนเราอื่นพึ่งกล่าวสรรเสริญเราเป็นต้นเนี่ยอันนี้พระองค์ก็ตรัสไว้จริงนะและเมื่อเสลพรามกล่าวสรรเสริญตามความเป็นจริงอยู่พระตถาคตก็ทรงเป็นผู้เพลิดเพลินแล้วก็กล่าวป ร, ประกาศคุณของพระองค์ให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็จริงคือข้อความเนี่ยนะในเสรลสูตรก็มีอยู่จริงในพรหมชาลสูตรก็มีอยู่จริงแต่ไม่ขัดกันนะที่ว่าสองสูตรนี้ไม่ขัดกันนะขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงภาวะที่มีลักษณะพร้อมทั้งรสตามความเป็นจริงที่ไม่คลาดเคลื่อนที่เป็นจริงที่แท้ที่มีความเป็นของแท้แห่งพระธรรมว่าดูความพิสูจ์ทั้งหลายชนเหลาอื่นพึ่งกล่าวสันเซินเรากล่าวสันเซินพระธรรมสรนเซินพระสงค์เนี่ยนะเธอทั้งหลายไม่ควรทาความเพลิดเพลิน ไม่ควรทําความดีใจไม่ควรทําความปราบปลื้มใจในคําที่เขากล่าวสรรเสริญนั้นน่ะดังนี้อันนี้อันนี้เป็นสภาพแห่งธรรมที่แท้จริงเนี่ยนะความจริงเนี่ยควรเจริญไม่โลภะความเป็นจริงเลยนะโลภะควรเจริญใช่ไหมเป็นพาเวตประธรรมใช่ไหมควรยินดีใช่ไหมบอกไม่ใช่เป็นปะหาตประธรรมเป็นธรรมที่ควรละในบรรดาอริยสัจธรรมทั้งหลายทุกสมุทัยในโรธมักสมุทัยเป็นธรรมที่ควร ละควรกําจัดควรตัดควรละทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแสดงตามอัดที่เป็นจริงว่าสมุไทยเป็นธรรมที่ควรละเนี่ยนะอันนี้กล่าวจริงๆแท้ว่าโลภะควรละส่วนในเสลสูตรข้อที่ว่าเมื่อเสลพราม์กล่าวสรรเสริญตามความเป็นจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็ทรงประกาศพระคุณของพระองค์เองให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูก่อนเสละเราเป็นพระราชาคือเป็นพระธรรมราชา เป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักรให้หมุนไปซึ่งเป็นธรรมจักรที่ใครๆไม่อาจให้หมุนกลับได้นี้ข้อนั้นทรงประกาศเอาไว้หาใช่ประกาศเพราะเพื่อต้องการลาบไม่ไม่ใช่เหตุแห่งลาบไม่ใช่ว่าเป็นการวางเหยื่อเพื่อล่อลาบไม่ใช่นะไม่ใช่เพลิดเพลินพูดคํานี้ให้คนเอาลาบมาให้หาใช่เหตุแห่งยศก็หาไม่ไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้เพื่อต้องการบริวาร อนัยศหมายถึงบริวารยศไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อบุคคลเหล่านี้จะได้มาห้อมล้อมเราหาใช่เพราะเหตุแห่งตนไม่อนัยพูดเพราะเห็นแก่ประโยชน์ตัวก็ไม่ใช่หาใช่เหตุแห่งพวกพ้องก็หาไม่ไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อเพื่อพวกพ้องของตัวจะได้ดิบได้ดีก็ไม่ใช่หาใช่เพราะความอยากได้สิทธิ์ก็หาไม่อนะเขาจะได้มาเป็นลูกศิษย์มาเป็นอุปทาการมาเป็นลูกศิษย์ของเราพระองค์ไม่ได้พูดเพื่ออย่างนั้นไม่ได้แปลว่าหมายคำว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเพื่อเอาลากพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเพื่อเอายศพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์ตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์ของเพื่อนฝูงพวกพ้องพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเพื่ออยากได้สิทธิ์แต่ทว่าทรงประกาศเพื่อจะอนุเคราะห์อนุเคราะห์เป็นชื่อของกรุณาประกาศด้วยความกรุณาความกรุณาแปลว่าม yeah, ุ่งจะปลดเปลื้องแห่งความทุกข์ของเขาให้เขาพ้นจากทุกข์ ประกาศเพื่อประโยชน์แก่เขาอันนี้เป็นเมตตาเนนะเป็นเมตตาของพระองค์ที่มุ่งน้อมนำประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้เขาพูดเพื่อบำบัดทุกขพูดเพื่อบำรุงสุขพูดเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์พูดเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสอย่างนี้ด้วยพระมหากรุณาเพราะพระองค์คิดไว้แล้วว่า คิดไว้แล้วว่าพราหมูนี้และมานพอีก300คนเนี่ยจมีการตรัสรู้ทำได้โดยประการอย่างนี้คือถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้บรรลุมรผลก็เลยพูดพูดเพื่อประโยชน์แก่เขาพูดเพื่อให้เขาพ้นทุก์พูดเพื่อให้เขาได้บรรลุมรผลคือพูดด้วยเมตตาและกรุณาพูดด้วยปัญญาที่ไข้ครวนเบ็ดเสร็จไว้แล้วเนี่ยนะพูดด้วยอะไรสัพพัญญุตยานเป็นต้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัส ถ, ถึงคุณของพระองค์เองอย่างนี้นะก็เพื่ออะไรเพื่อเหตุผลเพื่อจะอนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พรามและมานบเหล่านั้นพระองค์จึงตรัส ถ, ถ, ถึงพระคุณของพระองค์อย่างนี้ว่าดูก่อนเสระเราเป็นพระราชาเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมดังนี้เป็นต้นเหตุผ ล, ผลที่พูดนี้พูดเพื่ออนุเคราะห์แก่เสละพราม พระเจ้ามิรินบอกดีจริงพระคุณเจ้าค่ะพระเจ้าเขายอมรับตามคําที่ท่านกล่าวมานี่นปัญหาข้อแรกโทษในครั้งหนึ่งอข้อความในพระมัชาลสูตรที่บอกว่าอย่าเพลิดเพลินนั้นอย่าเพลิดเพลินด้วยอํานาจโลภะเนี่ยนะอย่าไปเพลิดเพลินด้วยอํานาจโลภะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะอย่างที่ฟังทำในสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างใครนะพระวกกะลีเนี่ยนะศรัท ธ, ธาบ้างศรัท ธ, ธากับโลภะมันก็สลับกันอยู่ตรงนั้นแหละมันชมติดตามติดตามพระพุทธเจ้าเพราะอะไร เพราะเหตุแห่งรูปพระบอกว่าโอ้ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าชาตินี้ก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําไมเพราะอะนั้นอันนั้นเรียว่าตามฟังเพื่อเพื่อดูรูปไอ้แบบนั้นเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการพระองค์ไม่ประสงค์ท่านพระองค์จึงตรัสว่าอย่าเพลิดเพลินในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอํานาจของโลภะแต่ไม่ได้พูดว่าอย่ามีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะไม่ได้กล่าวอย่างนั้นแต่ว่าอย่ามีโลภะอย่ามีฉันทราคะอย่างในสูตรหนึ่งนะ แม้แต่ธรรมเราก็ยังกล่าวให้ละจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอาธรรมเล่าใช่ไหมแม้แต่ธรรมธรรมตัวนั้นเป็นชื่อของสมถาวิปัสนาแม้แต่สมถาวิปัสนาเรายังสอนให้ละฉันทะราคะจะกล่าวไปใหญ่ถึงบาปอากุศลเล่าใช่ไหมพ ร, พระองค์ให้ละแม้กระทั่งฉันทะราคะในสมถะและวิปัสนาเพราะจึงไม่ควรเพลดิดเพลินในพระธรรมคือสมถาวิปัสสนาด้วยอำนาจโลภะเป็นต้น แล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันก็ไม่ควรไปเพลิดเพลินในในท่านเหล่านั้นอย่างเช่นเขามีสมัยพุทธกาลเนี่ยน ะ, ะหญิงโสเภณีเขาไปชอบพระมหาโมคลานะที่พระมหาโมคลานะเขาบอกว่าถ้าชนพึงรู้จักสรีระของเธอเหมือนอย่างที่ฉันรู้จักกันะเขาก็จะละวิ่งเธอเหมือนคนที่ไปห่างไกลหลุมคูดฉะนั้นเหมนคือคือท่านก็คื อ, ค อ, ค อ, อหญิงโสเภณีเนี่ยชอบพระมหาโมคลานะเป็นชีวิต จ, จิตใจเลย เสร็จแล้วก็ท่านก็ประกาศเรื่องโทษของร่างกายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะ <_ coins> ในศาสนาจึงไม่ได้สอนเพื่อให้เจริญโลภะเนี่ยนะจึงไม่ให้เพลิดเพลินด้วยอำนาจโลภะเพราะว่าโลภะเนี่ยอะไรอายุหณะใช่ไหยนำไปไหนนำไปสู่ชาติ ช, าตชรามรณะโศกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาต <_ vais> ถ้ายังเพลิดเพลินด้วยอำนาจฉันทาค้าโยเชื้อแห่งวัตตะก็ยัง เป็นไปเนี่ยนะเพราะว่าอันนั้นเป็นเชื้อแห่งสังสารทุกข์เป็นเชื้อแห่งวัตทุกข์เนี่ยนะพระองค์ก็เลยสอนให้ให้ละความเพลิดเพลินเหล่านั้นว่าความจริงโลภะ ค, ควรละโดยส่วนเดียวเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์สมุทัยควรละนะเพราะว่าทำสามที่ควรละคือตัณหา3ามทำหกที่ควรละคือตัณห า, ายาะ6 นะครัพูดตามไล่ตามลําดับนะทำหนึ่งควรละคืออสมีมาณทำสองควรละคืออวิชากับภวะตัณหาทํามที่ควรละคือตัณหาสามทำสีที่ควรละคือโอคาสีทำห้ที่ควรละคือนิวรห้าทํา6ที่ควรละตัณหากายะหกทำเจ็ที่ควรละคืออนุสัยเจทํา8ที่ควรละคือมิชตะ8ดทํา9ที่ควรละธรรมะที่เป็นมูลแห่งตัณหา9ทําทำสบที่ควรละคือมิชตะสิบเนี่ยนะพันนั่นคือธรรมที่ควรละพัน อสมิมาณะเกิดร่วมกับอะไรก็เก so ิดร่วมกับโลภะก็ให้สอนให้ละโลภะทำสองที่ควรละอวิชากับภวะตันหาภวะตันหาก็คือโลภะทำสามที่สอนให้ละก็คือการะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาพระองค์ก็สอนให้ละทำสี่ที่ควรละกาโมคะเนี่ยนะโลภะก้อนนั้นก็สอนให้ละการฉันทานิวอนก็สอนให้ละตันหาในทวารหหรือตันหากายะหนะรูปประตันหาเป็นต้นก็สอนให้ละการะราคานุสัยก็สอนให้ ละเนี่ยนะตันหาเป็นเหตุให้สแสวงหาเมื่อมีการสแสวงหาจึงได้ลาบเมื่อได้ลาบจึงเกิดการวินิจฉัยเมื่อวินิจฉัยจึงเกิดการตกลงใจเป็นต้นเนี่ยนะไอ้ตันหาเป็นมูลแห่งเหตุเหล่านั้นจนถึงเกิดการทะเลาะวิวาท ต, ตันหาเป็นมูลเหล่านั้นก็สอนให้ละเพราะฉะนั้นตันหาเนี่ยสอนให้ละโดยประการทั้งปวงเพราะว่าเป็นเหตุแห่งทุกแม้กระทั่งสติประฐานวัตถุประสงค์อันแรกก็คือเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อความบริสุทธิ์จาก โลภะนั่นเองท่านจึงไม่ให้สอนให้มีฉันทราคะเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งว่าคนที่ไปติดในรูปพระองค์พระองค์ก็ยังตัดว่าประโยชน์อะไรด้วยการดูกายอันเปื่อยเน่านี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเชื่อว่าเห็นธรรมเนี่ยนะท่านก็ให้ความสําคัญว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการอ่านะมาติดตามดูกายที่เปลื่อยเน่านี้ขนาดกายของพระองค์พระองค์ยังบอกว่ากายที่เปลือยเน่านี้ นะจะกล่าวไปยัยถึงกายเหล่าอื่นเล่าว่างั้นพันในพระธรรมเนี่ยตามสัธรรมที่เป็นจริงเนี่ยพระองค์สอนไม่ให้เพลิดเพลินเช่นนั้นแต่ว่าคําที่เสรพราหมพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยิ้มรับเลยเนี่ย น, นี่หมายคําว่าเป็นวิธีการสอนเพื่อจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกอ่าจะโดยเหตุผลใดก็ตามพระองค์จะสอนในรูปแบบใดก็ตามขอให้รู้เถอะว่าสาถาเทวมนุษสานัง เป็นการที่พระองค์ช่วยสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัตทุกเนี่ยน ะ, ะคำที่พระองค์สอนทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์เป็นครูของสัตว์โลกอาจจะสอนด้วยวิธีการแตกต่างกันตามจริตตามอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายพระพสูตทั้งหลายแสดงตามอัธยาศัยของเวนัยศัตร์ทั้งหลา ย, ลายเนี่ยนะเวนยศาสตร์ทั้งหลายจะตรัสรู้ด้วยพุทธพจน์เหล่าใดด้วยวิธีการเช่นใดด้วย ถ้ารรมเทศนาเช่นใดพระองค์ก็จะแสดงตามนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายนัน่นพระเจ้ามิรินก็ยอมรับเลย